แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่ อ, อยังนอนเป๋แม่เราเฝ้าโอละเหตกลมลูกน้อยนอนเป๋ไม่ห่างหันเหไปจนไกล แต่เล็กจนโตแม่ถนอมแม่ไปพ้อย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นีและหนาไรไมิใช่ใดนะเพราะข้านา้มนมคู่ คนคิดพินิษให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จำลูกคิดถึงข่าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน ข่าน้ำนมควรจวนให้ลูกฝังแทเมื่อหลังเปียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าเป็นดินบวชเรียนภาคเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เอ้ย ในค่ำคืนนี้ก็ขอให้พระไปสู่ทั้งหลายสมัมเนธแม่ทีและอุบาสกอุบาสิกาจงตั้งจิตตั้งใจระลึกนึกถึงการประพฤติปฏิบัติของตนเองระลึกนึกถึงการที่เรามีชีวิตได้เกิดมาในวันนี้ ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรในวันนี้ที่เรามีชีวิตใช้ชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรามีชีวิตได้เพราะใครก็ให้พระภิกษุสงฆ์สมสมาเนณแมชีและอุบาสกอุบาสิกา ก็ค่อยๆหลับตาลงเพื่อที่จะทำสมาธิแล้วค่อยๆพิจารณาตามและค่อยๆฟังตามไปว่าวันนี้เราในฐานะฐานะใดก็แล้วแต่ในฐานะผู้เป็นพ่อในฐานะผู้เป็นแม่ในฐานะผู้เป็นลูก ซึ่งฐานะแต่ละคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันไปแต่ละคนก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปพ่อก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของแม่ลูกก็มีทำหน้าที่ของลูกเช่นเดียวกันต่างคนต่างมีหน้าที่ซึ่งแตกต่างกันไปมีความรับผิดชอบ ที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ผู้เป็นพ่อจะมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนผู้เป็นแม่จะมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนผู้เป็นลูกจะมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนต่อการกระทําของตนเองในค่ําคืนนี้ก็อยากจะให้ได้ฟังฟังในสิ่งที่ เราได้ฟังแล้วเราต้องพิจารณาได้ฟังแล้วเราต้องรู้และเราต้องเข้าใจในเหตุและผลและเจตนาต่างๆว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญที่กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นให้เป็นวันแม่ก็จะขออนุญาตนำจดหมายฉบับหนึ่งที่ได้เขียนไว้ ได้เขียนไปถึงแม่ว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยอาจจะเป็นฉบับสุดท้ายที่เราเขียนให้แม่เราก็ได้เราก็ยังไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้จะไปถึงแม่เราหรือเปล่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่แม่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้เช่นกัน คนที่จะนําจดหมายไปส่งให้ถึงแม่เราได้ก็มีเพียงบุรุษไปษณีเท่านั้นบุรุษไปษณีในที่นี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระภิสุสงฆ์พระภิสุสงฆ์เนี่ยเปรียบเสมือนบุรุษไปษณีที่คอยส่งเอกสารคอยส่งสเสบียงคอยส่งบุญส่งกุศลให้ไปถึงญาติโยมแต่ละคนแต่ละท่าน ก็เปรียบเสมือนพระภิสุสงฆ์เนี่ยเป็นบุุษไปษณีมีบุุษไปษณีเท่านั้นที่จะนำจดหมายเราไปส่งให้ถึงแม่ลงแต่ในที่สุดจดหมายฉบับนี้เนี่ยด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามด้วยความรับผิดชอบของบุุษไปษณีก็จดหมายเนี่ยไปถึงมือแม่ เมื่อทันทีทันใดจดหมายไปถึงมือแม่เนี่ยแม่ก็ค่อยๆบันจงแกะซองจดหมายขึ้นมาเพราะรู้ว่าหน้าซองเนี่ยผู้ส่งคือลูกของตัวเองส่งมาให้แม่หนึ่งฉบับแม่ก็ค่อยแกะค่อยๆบันจงอยากจะรู้เช่นเดียวกันว่าในข้อความจดหมายฉบับนั้นลูกจะเขียนถึงแม่อย่างไรลูกจะ เขียนอะไรมาถึงแม่บ้างแม่ก็มีความรู้สึกมีความยินดีในจดหมายฉบับนั้นทั้งๆ ท, ที่แม่ยังไม่ได้อ่านจดหมายเลยทั้งๆ ท, ที่แม่ยังไม่ได้รู้เลยว่าจดหมายฉบับนั้นเนี่ยลูกเขียนอะไรมาบ้างในข้อความจดหมายที่ได้เขียนถึงแม่ก่อนอื่น ลูกก็ขอกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพตอนนี้แม่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้แม่สบายดีหรือเปล่าส่วนลูกอยู่ทางนี้ลูกก็สบายดีแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกกําลังทํางานลูกกําลังทําหน้าที่ของลูกอยู่ แล้วทางบ้านทุกคนเป็นอย่างไรบ้างทุกคนสบายดีไหมส่วนลูกอยู่ทางนี้ลูกคิดถึงทุกคนและยูกจะกลับอยากจะกลับไปบ้านอยากจะกลับไปหาแม่แต่ลูกก็ยังมีมีเวลาเลยถ้าลูกมีเวลาเมื่อไหร่ลูกจะรีบกลับไปหาแม่ทันที แล้วทุกคนพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างทุกคนที่เคยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรบ้างผมคิดถึงแม่ทุกวันคิดถึงพี่น้องทุกวันอยากจะกลับไปแต่ก็ยังไม่มีโอกาสแต่ก็ยังหาเวลาว่างไม่ได้ที่จะกลับไปหาแม่ ลูกอยู่ทางนี้ลูกก็จะตั้งใจทำงานตั้งใจหาเงินเก็บเงินเพื่อจะไปดูแลพ่อแม่เพื่อที่จะไปเลี้ยงแม่แต่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะทำงานได้นานแค่ไหนไม่รู้ว่าลูกจะทนได้นานแค่ไหนลูก ขอขอบคุณทั้งพ่อและแม่ที่คอยเลี้ยงดูลูกมาถ้าวันนั้นลูกไม่มีแม่ลูกก็คงเติบโตขึ้นมาไม่ได้ลูกขอขอบคุณแม่อีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ได้ให้ลูกมา ลูกไม่เคยรู้เลยลูกไม่เคยเข้าใจเลยตั้งแต่ลูกอยู่กับแม่ลูกไม่เคยเห็นความลำบากเลยแม้สักนิดเดียวลูกไม่เคยเห็นความเหนื่อยยากเลยสักนิดเดียวลูกรู้ว่าแม่เนี่ยรักลูกแม่สามารถทำให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในวันที่ลูกต้องการอยากจะได้อะไรแม่ก็าหามาให้ลูกอยู่เสมอลูกก็คิดอยู่เป็นประจำว่าแม่เนี่ยทำเพื่อลูกแล้วลูกเองเนี่ยจะมีโอกาสทำให้แม่ได้เมื่อไหร่ลูกก็ยังไม่รู้เลยแต่ลูก จะตั้งสัจจกกบตัวเองว่าลูกจะทำดีให้ได้ลูกจะทำดีให้แม่เห็นลูกจะพยายามทำในสิ่งที่ทำแล้วให้แม่สบายใจที่สุดลูกจะไม่ให้แม่ทุกเลยลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปถ้าวันหนึ่งลูกไม่มีแม่แล้วแม่ พยายามสอนพยายามดูแลพยายามอบรมลูกมาตลอดลูกขอขอบคุณแม่อีกครั้งหนึ่งและลูกเนี่ยจะตั้งใจตั้งใจทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดลูกก็จะพยายามพยายามสั่งในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองให้มากที่สุด วันหนึ่งวันใดถ้าไม่มีแม่ขึ้นมาแล้วลูกยังไม่รู้เลยว่าชีวิตของลูกจะอยู่อย่างไรตอนนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่ลูกก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่เลยลูกไม่มีโอกาสได้เลี้ยงแม่เลยลูกยังไม่มีโอกาสได้ผลิบัติแม่เลยแต่สิ่งที่แม่ทำให้กับลูกมันมากมายนักจนไม่รู้ว่า ลูกจะตอบแทนพระคุณแม่ยังไงหมดลูกก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองให้แม่แข็งแรงมีสุขภาพพรารณาไมยที่สมบูรณ์ให้แม่อย่าเจ็บอย่าป่วยและขอให้แม่เนี่ยจงมีความสุขที่ได้มีลูกอย่างลูกคนนี้ ลูกคนนี้ก็จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าลูกยังไม่มีโอกาสทำสิ่งดีๆให้กับแม่เลยในยามที่แม่ป่วยลูกก็ไม่ได้ดูแลลูกไม่เคยเอาใจใส่ ลูกยังไม่เคยหาน้ำยังไม่เคยหาข้าวยังไม่เคยหาอยู่หายาให้แม่กินเลยแต่แม่เนี่ยทำให้ลูกทุกวันรู้ไม่ลูกไม่รู้ว่าจะตอบแทนพระคุณแม่ยังไงจนวันหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเมื่อแน่เจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆลูกก็ได้แต่เฝ้าดูห่างๆเพราะลูกไม่รู้ว่าวิธีการที่จะปนนิบัติวิธีการที่จะ ดูแลแม่เนี่ยต้องดูแลอย่างไรลูกก็ได้แต่คิดแต่ลูกก็ไม่กล้าทำลูกก็ได้แต่นึกแต่ลูกก็ไม่กล้าพูดลูกก็ได้แต่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาสับสนอยู่ในใจของลูกเองตลอดเวลาว่า ต่อไปเนี่ยถ้าแม่ล้มป่วยลงอย่างนี้ถ้าแม่ต้องเสียชีวิตไปลูกจะทำยังไงลูกยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าคำว่ารักแม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนคำว่ารักแม่เนี่ยมันเกิดมาตอนไหนลูกยังไม่รู้เลยกว่าลูกจะรู้ได้อีกทีหนึ่งว่า ลูกลักแม่เนี่ยก็ในวันที่แม่ได้ตายจากลูกไปแล้วเพิ่งไปเห็นความสำคัญของแม่ในวันนั้นเองวันที่แม่ต้องหมดลมไปวันที่แม่ต้องตายไปวันที่แม่ไม่อยู่กับเราแล้วทำไมเราถึงเกิดความคิดขึ้นมาทำไมลูกถึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ว่าลูกลักแม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลูกไม่ ไม่มีความรู้สึกเลยว่าลูกรักแม่เพราะลูกไม่รู้ว่าคำว่ารักแม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนจริงจริงและสุดท้ายแม่ก็ได้ตายจากไปเมื่อแม่ได้ตายจากไปเนี่ยก็ทำให้ลูกเนี่ยต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเพราะชีวิตขาดแม่เนี่ยก็เหมือนแพรแตกขาดพ่อก็เหมือนทอหักแล้วชีวิตลูกคนเดียวเนี่ย ลูกไม่รู้จะอยู่ยังไงลูกไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในวันข้างหน้าแต่แม่ให้สิ่งที่ดีกับลูกมาตลอดแม่ให้สิ่งที่ดีกับลูกมาทุกอย่างแม่ให้หลายสิ่งหลายอย่างแม่สอนให้ลูกรู้จักใช้ชีวิตรู้จักเอาตัวรอดให้เป็นคนขยันให้เป็นคนทำมาหากินให้เป็น สิ่งต่างๆที่แม่ให้ลูกมาบัตรนี้เนี่ยลูกได้เอามาใช้แล้วลูกได้เอามาทําตามที่แม่เคยสอนลูกไว้สิ่งที่แม่ให้ลูกมาก็ติดตัวลูกมาตลอดเลยลูกก็มีความสุขแล้วแม้กระทั่งแม่ไม่อยู่แต่ลูกเนี่ยก็ ทำอย่างที่แม่เคยทำให้อย่างที่แม่เคยให้บอกอย่างที่แม่เคยบอกสอนอย่างที่แม่เคยสอนพูดอย่างที่แม่เคยพูดให้กับคนอื่นได้แล้วชีวิตของลูกเนี่ยพอแม่ไม่มีเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งมันก็มีความอ้างว้างมันก็มีความโดดเดี่ยวมันก็มีความเสียใจอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะชีวิตเราเนี่ยไม่เหลือใครแล้วอยากจะมีแม่เหมือนคนอื่นก็ไม่มีอยากจะมีพ่อเหมือนคนอื่นก็ไม่มีอยากจะบอกรักแม่ก่อนที่แม่จะตายก็ไม่กล้าบอกอยากจะบอกรักพ่อก็บอกไม่ได้เพราะยังไม่รู้เลยว่าพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงสุดท้ายนี้ลูกก็อยากจะบอกแม่ว่าบั่นไปในชีวิตของลูก ลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกจะใช้ชีวิตยังไงต่อจะดำเนินชีวิตยังไงต่อแต่สุดท้ายลูกจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดลูกจะทำให้แม่เนี่ยภูมิใจที่สุดถึงวันนี้แม่จะอยู่หรือไม่ได้อยู่กับลูกก็ตามแต่สิ่งที่ลูกจะทำลูกจะทำให้แม่เนี่ย ได้รับรู้ว่าลูกเนี่ยทำได้ลูกเนี่ ย, ท ำ, ยทำตามที่แม่บอกได้แล้วลูกทำตามที่แม่สอนได้แล้วลูกทำตามที่แม่พูดได้แล้วลูกจะไม่เป็นคนอกตัญญูแน่นอนลูกจะเป็นคนกตัญญูต่อไปถึงแม่เหลือแต่ดวงจิตเหลือแต่ดวงวิญญาณก็ตามแต่ ในดวงจิตของลูกเนี่ยก็ยังมีแม่อยู่ในใจลูกเสมอแม่เนี่ยก็ยังอยู่ในใจลูกตลอดเวลาขอให้แม่เมื่อตายจากไปแล้วก็ให้แม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิที่เป็นสุกติภูมิให้ข้ามพ้นภพภูมิที่เรียกว่าทุกติภูมิแล้วแม่ก็จะได้ อยู่ในสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติได้อยู่ถึงทึ่งนิพพานสมบัติ สิ่งที่ลูกได้ทำมาตลอดระยะเวลาที่ลูกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีแม่แล้วไม่มีแม่คอยบอกไม่มีแม่คอยสอนไม่มีแม่คอยตักเตือนลูกก็ต้องบอกตัวเองลูกก็ต้องสอนตัวเองลูกก็ต้องตักเตือนตัวเองลูกก็ต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างเพราะจะให้แม่ทำเหมือนแต่ก่อนก็ทำไม่ได้แล้ว สุดท้ายที่สุดเนี่ยลูกก็ได้ตัดสินใจแล้วลูกได้ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองเสียใหม่จากที่ลูกเคยใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยไปในทางที่ถูกเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้ชีวิตหลงผิดเดินทางผิด โดยที่ไม่นึกถึงหัวอกของผู้เป็นแม่เลยต้องทำให้แม่เสียใจต้องทำให้แม่ร้องไห้ต้องทำให้แม่ทุกข์ในขณะที่ลูกเนี่ยไปสร้างปัญหาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับแม่อยู่ตลอดเวลา สุดท้ายเนี่ยลูกก็จะทำหน้าที่ของลูกต่อไปถึงแม่ไม่อยู่แล้วลูกก็จะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดให้ดวงกิตดวงวิญญาณของแม่เนี่ยรับรู้ในสิ่งที่ลูกทำให้ได้และท้ายที่สุดชีวิตของลูกเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะอยู่อย่างไร ก็แล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่วาสนาของลูกก็แล้วกันลูกก็อยากจะบอกแม่เป็นครั้งสุดท้ายและลูกก็ยังไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ที่ลูกจะได้เขียนจดหมายไปหาแม่อีกลูกจะได้เขียนจดหมายไปถึงแม่อีก ก่อนที่จะจบจดหมายฉบับนี้ลูกก็อยากให้แม่รับรู้ว่าสิ่งที่ลูกได้เขียนมาในครั้งนี้เนี่ยลูกเขียนมาจากใจของลูกจริงๆลูกคิดมาจากใจของลูกจริงๆอยากจะให้แม่ได้รับรู้ในความรู้สึกของลูกบ้างก็เท่านั้นเองรักแม่นะลูกก็ในการที่ เราทุกคนที่อย่างที่ได้บอกไปว่าอยู่ในสถานะพ่ออยู่ในสถานะแม่อยู่ในสถานะลูกไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ก็ย่อมมีความทุกข์ก็ย่อมมีความลำบากซึ่งแตกต่างกันไปเป็นพ่อก็ต้องมีความลำบาก มีความทุกข์มีความหนักใจเป็นธรรมดาเป็นแม่เป็นลูกก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีความลำบากมีความทุกข์มีความเหนื่อยยากเป็นเช่นเดียวกันแต่เราต้องรู้หน้าที่ของเราเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้อย่างไรเราอย่ามานึกเราอย่ามาคิดถึงแม่ ในวันนี้เลยเราต้องคิดถึงแม่เราต้องคิดถึงพ่อคิดถึงผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเราไม่เห็นคุณในคนอื่นแล้วเราจะเห็นคุณในตัวเองได้อย่างไรเราต้องรู้รู้จักรับผิดชอบรู้จักรับผิดชอบการกระทำของตัวเองว่าสิ่งที่เรากระทาอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะได้รับ ผลเช่นไรเราจะได้รับผลอะไรการกระทำที่ดีต่อกันเท่านั้นที่จะสร้างแต่สิ่งดีๆให้กันถ้าเราไม่กระทำสิ่งที่ดีต่อกันเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก็ให้พระพิสุสงสัมมณี น, นแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาจงพิจารณาจงนึกจง ไต่ตองให้ดีๆก่อนที่เราไม่มีโอกาสที่จะบอกลักแม่ก่อนที่เราไม่มีโอกาสจะทำสิ่งที่ดีให้กับแม่ก่อนที่เราไม่มีโอกาส ที่จะบอกว่าความรักเนี่ยมันคืออะไรความรักมันเป็นอย่างไรความรักมันเป็นแบบไหนไม่ใช่เรามานึกได้ตอนที่แม่ไม่อยู่แล้วตอนที่แม่เสียชีวิตไปแล้วเพิ่งมีความรู้สึกว่าการรักแม่มันเป็นอย่างนี้เรารักในตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเราไปรัก ตอนที่แม่ไม่มีชีวิตแล้วสุดท้ายเนี่ยหนึ่งในดวงใจก็คือแม่เราหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวคือแม่ในโลกนี้มีคนเป็นร้อยเป็นล้านคนนับหมื่นนับแสนคนแต่แม่เราเนี่ยก็มีแค่คนเดียวก็ฝากเพื่อให้พระพิสุสงได้คิด ได้พิจารณาพยายามมองให้เห็นความเป็นจริงในสภาวะที่มันเกิดขึ้นในสถานะที่เราอยู่เราต้องอยู่ยังไงเราต้องปฏิบัติยังไงเราต้องทำตัวยังไงเพื่อให้ในการทำหน้าที่ของพ่อของแม่ของลูกเนี่ยสมบูรณ์ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลา